เนี่ยแหละเมื่อท่านได้แสดงธรรมเสร็จแล้วนะพระอัญญาโคธัญะเนาะก็ได้รู้ทำตามพระพุทธเจ้านะกเยเนี่ยเรียกว่าอัญญาตินอัญญาติวัตโขโคตรญโยอัญญาติวัตโขโคตรญโยโคธัญญะได้รู้แล้วเนาะโคตธัญญะได้รู้แล้วเนาะแต่ก่อนตั้งชื่อโคธัญะที่เคยนะ แต่พอรู้ธรรมะโระเจ้าก็เลยเติมชื่อข้างหน้าให้ว่าอัญญาติอัญญาติเนี่ยแปลว่ารู้แล้วนะรู้แล้วหนอนะรู้อะไรนะก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงจะมีความดับไปเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือธรรมะธร้งหลายทั้งหวงนั่นแหละนะพูดนะนะโดยภาษาอีกแบบหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็คือว่ามันก็มีแต่สิ่งใดสิ่งที่เกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนคือทุกสิ่งทุกอย่างนมีการเกิดขึ้นมะีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นวัตถุนะ ที่เป็นรู ป, ปรธรรมหลายหายอย่างอาจจะตั้งอยู่นานหน่อยนะแต่สุดท้ายก็ต้องดับไปนะแต่สิ่งที่เป็ น, ส, ปนสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเล็กๆน้อยๆเนะี่ยมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้เร็วสิ่งที่เป็นนามรธรรมเนี่ยยิ่งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเร็วบางทีการเห็นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถ้าดูที่รูปนะบางทีก็จะเห็นช้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นนะเราจะไปดูว่าเรามีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายถ้าดูแบบนั้นบางทีมันเจ็ดสิบแปดสิบปีนะักกว่ารูปจะเกิดกว่ารูปจะดับนะอะ น, นั่นมันมันยาวไปแต่จริงดูให้มันสัน้นลงคืออะไรเช่นหายใจเข้าเนี่ยมันเกิดแล้วพอมันสุดอมันก็ดับไปแล้ว หายได้ออกนะแล้วก็เกิดการเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปนะสัดับไปเรื่อยนะนะมันมีการเกิดดับนะในอินเดียเปิดย่อยเนี่ยเป็นธรรมาดานะแล้วก็เกิดผีนะ ด, ด้วยหรือกับพิษตานะมาเคยให้เคยเแยายามทำกิจกรรมทีนะให้นักปฏิบัติธรรมลองดูว่าที่ลองดูนะ เรากะพิบตานาทีหนึ่งเนี่ยสักกี่ครั้งเนี่ยบางคนไม่เคยรู้เลยนะแต่พอได้ลองมานับดูเป็นหลายเป็นสิบยี่สิบครั้งเลยนะแต่ละคนเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยก็พิบตาสิบยี่สิบครั้งบางคนถึงสามสิบครั้งได้นี่คือการเกิดการดับรูปแบบหนึ่งนะ หรือถ้าใคที่เรียนทางชีววิทยานสตรีรักษาต่างๆก็จะรู้ว่าร่างกายมนุษย์ก็มีการสร้างเซลล์ขึ้นมาทุกๆวันเซลล์ต่างๆก็มีการตายเป็นทุกวันคือในร่างกายมนุษย์เองมันก็มีทั้งแบค ท, ทีเรียมีทั้งไวรัสมีทั้ง พยาธนะิอยู่ในร่างกายเหมือนกันนะมนรู้์เราจะเรียว่าเป็นร่างกายของเราได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแบคทีเรี ย, ยมันมีเยอะกว่าไม่มีเยอะมากนะในร่างกายมนนะุษย์แต่ละอย่างมันเกิดขึ้นนะบางทีเราก็สู่เอาเป็นร่างกายของเรานะแต่จริงมันเป็นสิ่งที่ประกอบกันนะของท่าทั้งสี่ หรือว่าของนะสิ่งต่างๆที่มาประชุมกันนะเหมือนที่ดินพื้นนี้นะบอกว่าเราสมมติว่าคือที่ดินของวัดนะ่ะของอาสมวิทยาธรรมแต่ที่จริงมันก็มีมดไม่รู้กี่ล้านตัวมีแมลงนะีไม่รู้กี่ล้านตัวนะเขาก็มาครอบครองเขาก็มาอาศัยบานะงทีเขาใช้เวลาอยู่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงมากกว่าเราเลยซ้ำ เราบางทียังอยู่บ้างไม่อยู่บ้านเราจะบรรูุว่ามันเป็นของเราจริงๆมันก็เราก็เป็นเพียงแค่สมมุติะแต่ที่สําคัญเนี่ยเราสิ่งสำคัญคือเราต้องฝึกให้เห็นการเนี่ยแหละการเกิดการดับนมันบังคับไม่ได้อย่างเช่นกระพริบตาพอปีใครสังเกตเห็นนะโอ้บางทีมันก็กระพริบตาเร็ว ก็พิฟตาพิฟตาช้าบางทีมันก็พิฟตาเป็นจังหวัดครั้งหนึ่งบางทีก็สจังหวัดบางทีก็สามจังหวัดเอาแน่เอาในใอ น, นอไม่ได้ดูลมหายใจก็เหมือนกันนะะไปก่อนผมหรืออาจารย์มาเคยฝึกดูลมหายใจดูลมหายใจทีเราก็ไม่ดูเนาะเราก็ทําแบบตามตำราแบบไม่เข้าใจนะ ก็เป็นผู้เป็นไปกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจให้มันยาวเข้ายาวออกยาวนะเพื่อศึกษาดูว่าลมหายใจยาวเป็นแบบไหนลองกำหนดลมหายใจสั้นเข้าสั้นออกสั้นเพื่อกำหนดเพื่อศึกษาดูว่าลมหายใจสั้นเป็นแบบไหนลองทำลมหายใจให้ละเอียด แล้วก็ลองดูว่าเป็นแบบไหนลองทำลมหายใจให้ยาวนะเป็นแบบไหนแต่ทำไปทำไมก็จะชอบชอบลมหายใจที่ยาวชอบลมหายใจที่ละเอียดนะสุดท้ายมันก็ละเอียดจนเหมือนไม่มีลมหายใจแต่มันก็รู้นะว่ามันน่าจะหายใจอยู่แต่มันไม่รู้สึกเลยมันมีแต่ความนิ่งมีแต่ความว่างความสงบอันนี้ เราไปทําแบบไปทําแบบกําหนดมันเป็นสมถะแต่ถ้าทําแบบวิปัสสนาคือไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปตั้งใจให้หายใจยาวหรือตั้งใจให้หายใจละเอียดการตั้งใจทําแบบนั้นมันได้สมาถะมาได้สมาธิได้ความสงบเมันดีแบบสมถะดีแบบสงบ แต่ถ้าฝึกแบบวิปัตนานี่เราเพียงแค่เราเพียงแค่รู้ลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดรู้แค่นี้แหละนะแต่ที่จริงรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นรู้ว่าหยากรู้ว่าละเอียดนี่ มันก็ยังมากเกินไปนะแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกถึงการหายใจอยู่ที่จริงแค่รู้สึกแค่นี้นะอืมแต่บางทีก็พูดโดยพูดโดยภาษาแจกแจงก็มียาวมีสั้นมีหยาบมีละเอียดแต่จริงสติทิ้งแค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายที่ประลังหายใจนะรู้สึกถึงรูปที่มันดํำรงอยู่ รับรู้ลูกผ่านการเคลื่อนไหวที่การหายใจแต่ก็ไม่ให้จ้องไว้นะที่ลมหายใจเพราะ่าทีถ้าเราไปดูแต่ลมนะมันจะจิดมันจะนิ่งสงบนะมันจะไม่รู้ตัวทั่วพั้งรแต่ถ้าเราดูแบบเห็นร่างกายเขาหายใจก็จะเห็นความจริงว่าบางทีร่างกายก็หายใจยาวบางทีก็ร่างกายก็หายใจสั้น บาทีร่างกายก็หายใจยากบางทีก็ร่างกายหายใจละเอียดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเป็นเพราะมันเป็นไปของมันเองตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเราอยากจะไปบังคับมันก็ไปแทะแทะเขาแล้วนะมันก็แทะแทะได้นะถ้าเราเพื่อเราออกกําลังกายเพื่อนะ ไม่เกิดสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าฝึกแบบไม่ปัฒนาจริงเนะี่ยเราจะฝึกแบบไม่แท่งแทงแค่ตามรู้นะแค่รู้มันะในขนาดนั้นนั่นแหละที่จริงเพราะว่าตามรู้อะยังไม่ถูกนะก็เดียวแค่รู้นะตามความเป็นจริงในขนาดนั้นนะรู้เห็นว่าร่างกายกำลังหายใจส่นวนๆนะั้นจิตที่มีสติเป็นเพียงแค่ผู้รู้ ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งอันนี้ยเราก็จะเห็นอ๋อเนี่ยมันจะแสดงความจริงต่างๆร่างกายส่วนอื่นก็เหมือนกันนะเราเดินจงกรมเรายกมือสร้างจังหวะหรือจะดูท้องพองยุกนะดูเพื่อให้รู้อะไรรู้ว่าร่างกายมมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ลักษณะแต่ รู้ว่าร่างกายมีความเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาวะทุกข์เดิมๆไม่ได้ทุกข์เกิสภาวะที่เรียกว่ามันทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้อย่างที่พูดเมื่อวานนั่งแล้วมันก็ปวดแล้วก็เมื่อยมันก็ต้องขยับขยืน่นร่างกายบรรเทาทุกข์หายใจก็เพื่อบรรเทาทุกข์กิดตาเพื่อบรรเทาทุกข์ คืินน้ำประดายก็เพื่อบันเทาทุกข์อันนี้คือมันมีความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างตพวกนี้ยมันเป็นของมันเองนะที่มันพุกขึ้นมาก็เป็นของมันเองนะะเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะถ้ามันเป็นตัวของเราจริงเราก็ต้องบังคับได้สิใช่ไหมอันนี้มันทุกข์เราก็สร้างให้มันหายทุกข์ เราก็บังคับไม่ได้อันนี้มันปวดเมื่อยนะจะบังคับรักษาให้มันหายปวดเมื่อยเราก็บังคับไม่ได้แม้แต่การใช้ยารักษาโรคนะมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะทําเพื่อบังคับมันได้ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหย ม, มันก็เพียงแค่เหตุปัจจัยเข้าไปรักษาเช่นมีาการปวดเมื่อยนะเราใช้ยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดก็มีหลายระดับนะ แต่พาไายจะนั่งถึงมองตีนนะมันก็ใช้ได้หลายระดับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะบางคนใช้ระดับนี้ได้ผลบางคนใช้ต้องระดับแรงๆถึงจะได้ผลพอถ่วนจุดหนึ่งบางคนแม้แต่แรงที่สุดยองไรก็ไม่ได้ผลก็มีเพราะอะไรมันบังคับไม่ไดนะ้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยาแก้ปวดก็เป็นเหตุแก้เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนะ แต่รากการมันก็มีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างนะมาประกอ บ, บกันดัง น, นั้นที่จริงครับว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือคือมันแปลว่ามันเป็นไ ป, น ป, นปนตามเหตุตามปัจจัยพระอัญญาโพธิ ญ, ญักษหรือผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นนะครับพราสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเกิดเพราะเหตนะุเรียก ว, ว่าเกิดเพราะเหตุสิ่งนั้น ทั้งัวงมีความดับไปเป็นธรรมดามันดับไปเพราะหมดเหตุนั่นแหละก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเหมือนเราจุดเทียนเราจุดเทียนมันมีเหตุมันมีเทียนมันมีการจุดมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีไฟมันก็ต้องมีความร้อนออกจากเปลวเทียนแต่พอแต่พอจุดไปเรื่อยจะทั้งตัวเทียนก็หมดไส้เทียนก็หมดแล้ว ความร้อนหายไปไหนแสงเทียนหายไปไหนมันหายไปเพราะมันหมดเหตุที่ทั้งของมันมันไม่มีเทียนแล้วมันก็จะไม่มีไฟไม่มีความร้อนขึ้นเพราะว่ามันหมดเหตุเหตุในที่นี้คืออะไรเหตุของการเกิดคือความไม่รู้ความผิด คืออวิชชาเ็ ค, คือความไม่รู้หรือจะเดียกอีกอย่างว่ามันรู้ไม่จริงก็ได้เราไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความรู้แต่ความรู้ที่มีเนี่ยบางทีมันก็จริงบางทีก็ไม่จริงรู้นะความจริงคืออะไรเน่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้ถ้าเรารู้ไม่จริงนะมันก็ทุกตัิ่ไปมันก็จะมีการเกิด เพราะมีอภิชามันะก็เลยมีการเกิดนะขึ้นนะเรียนไหวไก่เกิดในภพน้อยพบใหญ่นะสารพัดภนะพใหญ่คืออะไรพบใหญ่เน่เช่นบางทีก็เกิดเป็นมนุษย์บางทีก็เกิดเป็นสัตว์บางทีก็เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะตกนรก บ, บ้างขึ้นสวรรค์บ้างไป็มโพนรก บ, บ้าง อยู่บนโลกมนุษย์บ้างเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้คือพบใหญ่แต่มันไม่ใช่มีแต่การเกิดในพบใหญ่นะการเกิดในพบน้อยพบน้อยที่นี่คือพบทางใจวันวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดในพบน้อยนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวก็เป็นนางฟ้าเพราใจดีนะฮนเพราะดีใจนะ ความสุดนะเดี๋ยวก็เป็นนางนมานะเดี๋ยวพักก็เป็นกีตาสตก็มีนะเป็นผนะีเพราะความโกรธนะเพราะความเกรียดนะเดี๋ยวเราก็เป็นนะเดรัจฉานด้วยความควรด้วยความหลงนะเดี๋ยวเราก็เป็นพงเมเวลาจิตมันสงบมีเมตตาอุเบกขานะประกอบในตรงนั้น แตบพบในน้อยก็วเนียมันจะเกิดขึ้นบ่อยนะใช่ไหมบางทีเช่นอย่างเราอ่านข่าวเราดูโทรทัศนะ์่งเนี้ยมันซึ้งถือถ้าเราไม่มีสตินะเป็นการสร้างพบเรื่อย่นะแต่เราข่าวนี้ถูกใจชอบใจมีความสุขข่าวนี้อัจฉยากรรมรุนแรงโอ้เราฟังแล้วก็กลัวฟังแล้วก็เกียดคนที่ทำแบบนั้นด้วย ดูละครนะอ่านะมันก็สร้างความชอบสร้างความชังนะสร้างจิตให้ปุงแต่งฟูฟูแ ป, ป, ป๊ๆแ ป, ป๊บเรื่อยๆนะนี่คือการสร้างพภพนะนี่คือเพราะเรามีรู้ความจริงมันก็เลยสร้างภพน้อยพพใหญ่ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ภพไม่รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วนะกายแล้วก็ใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตน กายใจมันก็เป็นเพียงแค่สภาวะอย่างหนึ่งที่มาประกอบกันก็กลายเป็นพบใหญ่ขึ้นมาสักอย่างเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเข้าใจนะเรามาศึกษาเรื่องนี้นะเรื่องขันตั้งคนะ่าก็คือเรื่องของรูปเรื่องของนามเนะี่ยมาศึกษาดูนะที่จริงมันก็เป็นเพียงแค่ขันนะที่มาประกอบกันนะเป็นรูป เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเนาะมาประกอบกันถ้าเราศึกษาเป็นจริงบางทีค่อยๆแยกไปเพราไอ้ที่ความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นของของเราเนี่ยบางทีของของเราเนาะเราก็จะเห็นง่ายมากกว่านะแต่างที่ของของเราเราก็มักไปตู่เราก็มักจะหลงว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นนะแต่จริงของภายนอกเนี่ยมันมันก็เห็น คาดเห็นนะก็แสดงความริงว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ได้ของของเราบังคับไม่ได้นะอย่างเช่นเราเลี้ยงหมาเนี่ยหมาบางทีนะมันก็มันก็เห็นเรามามันก็วิ่งเข้าใส่นแต่บางทีมันไม่มันไม่พอใจบางทีมันก็ทําท่าจะนักเราก็มีเนี่ยหมาบางทีก็เป็นแบบนั้นหรือบางทีเราเลี้ยงแมวเนี่ยยิ่งชัดเลย แมวเราว่าเราเป็นเจ้าของแมวเราเลี้ยงแมวไปจริงแมวนะเออบางทีมันก็สนใจเราบางทีมันก็ไม่สนใจเรานะมันอดองศิงลปิ่นจะตายนี่คือมันมันไม่ใช่ขอ้ของเราจริงๆนคะด้านกายถ้าเราดูดีๆนะเราก็จะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้จิต ใ, ใจเองเราก็จะเห็นทเห็นว่ามันบั ง, บงคับไม่ได้นะ แต่เราเห็นมันเป็นเลียนแค่อาการเออนี่อาการของรูปอาการของนามเราก็ดูเรากถ้าเรามีสตินี้เล ย, เลยนะเราจะฝึกภาวะการเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูนดเดียเราจะเห็นว่าออกายมันเดินใจมันดูกายมันนั่งใจมันดูนนกายปวดเมื่อยใจดูเสียใจเป็น ใจเมื่อกี้มันคิดเนี่ยใจเมื่อกี้นะมันลงไปคิดแล้วก็มีใจตอนนี้ที่รู้นะที่รู้ตัวแล้วก็เกิดใจเมื่อกี้นะเกิดไปคิดเกิดไปมีอารอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดสติรู้อีก็ต้องอเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้มันเถือไปคิดเนี่ยมันก็จะสับไปเรื่อยนะมันจะฝึกในการดูนะมันมีตัวหนึ่งที่ดูอีกตัวหนึ่งที่ถูกดูไป แต่ตัวที่ดูหรือตัวที่ถูกดูก็เกิดดับเหมือนกันนะมันไม่ใช่เป็นตัวดูวถาวอลตลอดเวลาตัวที่ถูกดูเองก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้สาวบอล น, นะมันเกิดดับเอาง่ายเหมือนเสียงเียงเครื่องปั่นไฟตอนเนะี้ยที่เราได้ยินเสียงเหมือนแทบตลอดเวลาเนาะแต่จริงมันก็เป็นเสียงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่เสียงเดียวตลอด เหมือนเสียตามาพูดเนี่ยแหละนะก็พูดทีละคำทีละคำนะเป็นเสียงไปทีละคำทีละคำแต่มันก็เหมือนฟังดูเหมือนต่อเนื่องไปแต่จริงมันมีช่องว่างในระหว่างคำหรือบางทีก็มีช่องว่างระหว่างประโยคนมนะันเป็นเพียงแค่การเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของทุกสภาวะแน่เราดูไปทุกสภาวะมัน เมื่อไรที่เราเข้าใจอาการเกิดดับของลูกของนามเนี่ยเมื่อนั้นแหละเราจะได้ต้นทางของการภาวนาที่แท้จริงเห็นอาการเกิดดับนี่ยได้ปัญญาดูแล้วดูแล้ว่ามันไม่ใช่ตัวตน ไม่วจะเอาอะไรนะพอมันเห็นแล้วมันจะไม่เอาอความความหนักความแบกที่เคยยึดเคยถือเคยหนักเนี่ยมันถืรู้สึกเบาลางไปจิตมันจะเบานะเบาเพราะแต่ก่อนเคยยึดอนะนั่นนีนะ่เป็นเราเป็นขอบของเราแต่พอเห็นแล้วมันจะปลดภาระออกไปจากใจนะนะนะเบาไปมากกว่าครึ่งแะ ว่าจิตใจเบาไปมากกว่าซึ้งจะทําอะไรก็รู้สึกเบาใจไปหมดเพราะว่าอะไรทาแล้วมันไม่ยึดทําแล้วปล่อยนทําแล้วมันก็วานใช้คําพูดก็ใช้เสร็จก็วางใช้ความคิดใช้เสร็จก็วานใช้ร่างกายทําอะไรก็แล้วแต่ใช้เสร็จก็ว า, างาวามันเหมือนทําแล้วก็ทําแล้วก็วางเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเพื่อฝึกสติ ฝึกแล้วก็เสร็จเป็นขณะเป็นขณะมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้แล้วรู้แล้วก็วางเหมือนกันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้แล้วรู้แล้วก็วางเป็นเหมือนกันมันทำไปแบบมันเสร็จทุกขณะจิตมันเบาตรง น, นี้แหละเบาเพราะว่ามันวางทุกขณะไม่ใช่ว่าเราจะวางต่อเมื่อมันเสร็จเช่นหมมตะ เราทํางานในทักอย่างงานบางอย่างนะกว่าจะเสร็จเป็นปีบางอย่างกวจะเสร็จเป็นเดือนเป็นวันนะมันนานนะกว่าจะวาวเพราะว่เราแต่ต้องรอให้งานมันเสร็จรถึงจะวาวนะแต่จริงวาวแป๊บเดี่ยวนะอาจจะเสร็จอาจจะมีความสุขตอนนั้นแต่ก็มีงานใหม่ก็มาอีกแล้แหละนะใช่ไหมเหมือนแม่ครัวนะทําอาหารกว่านะจะทำอาหารเสร็จในะแต่ละมื้แต่ละวันนะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ รรหราอทำอาหารอันนี้เสร็จอีกก็ต้องทําอาหารอย่างอื่นต่อกลางวันตอนเย็นเหนะือนน่ะกว่าจะเสร็จนะแต่จริงเราทําแบบเสร็จทุกขณะอหั่นผักก็เสร็จทุกขณะที่หั่นแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าเราทําแล้วมันเสร็จทุกขณะนะมันจะสบายเหมือนเราเดินรู้สึกทีละก้าวจบรู้สึกทีละก้าวจบ ทำอะไรก็แล้วแต่แค่รู้สึกแล้วก็กวางรู้สึกแล้วก็จบนะจิตมันจะเบานะวันนี้งานทั้งโรคบางอยา่างแม้มันไม่เสร็จแต่เราวางได้นยมันนอนหลับมันกินอร่อยนะเราทำงานแล้วก็วางงานไปกอดตอนกินตอนกินก็มารู้สึกอยู่กับการกินนะมันวางเพราะเนะี่ยเพราะที่จริงเราย้อนกลับมาเห็นว่าอ้อ เราเอาความคิดมาเป็นทุกข์เราแบกความคิดเราแบกบความอารมณ์ต่างๆมาไว้ในใจยเยอะมากมายเลยพอกลับมาเห็นแล้วมันเลยปลดปล่อยตรงนั้นแหละนะปลดปล่อยนะสิ่งที่เคยแบกมาไว้นะแบกบมาเป็นตัวเป็นตนเป็ น, ปนอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชังต่างๆแบกบไว้นะพอเราเห็นแล้วอมันก็ปลดตรงนั้นออกไปจากใจใจก็เบา เป็นไเบาไม่ใช่แบบใจลอยใจเ่าเพราะว่าเหมือนเมือเราเดินแบกกระเป๋าขึ้นเขาเหนื่อยเนื่อยแต่พอปลดกระเป๋าลงนะไม่ต้องรอถึงยอดเขาก็ได้นะปลดตรงไปมันก็เบาสันทีนะแต่หลายคนมักจะแบกไปึงกว่าจะถึงยอดเขาถึงจะปลดปล่อยทีเดียวอันนั้นทางโลกอาจจะต้องทำแบบนั้นแหละก็ถูกแล้ว แต่ในทางทำนะประมาณว่าเหมือนที่จริงเหมือนลืมตัวนะที่จีกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องแบกขึ้นหลังก็ได้มันมีล้อ <c oughs> มันเดินมั น, นก็ปลดปล่อยก็ตอนลากไปค่อยๆค่อยๆลากไปเบาเหมือกันเยอะเลยแต่เพราะเราไม่รู้เราจะแบกไว้นะคิดว่ามันที่ว่ามันว า, นางไม่ได้หรอกมันต้องแบกบต้องรักษาไว้แต่พอมีสติปัญญาเหมือนโอ้ยเรางโง่เองกระเป๋ามันมีล้อดอ้วย เอาลงไปนะการงานต่างๆก็วางลงไปนะแล้วก็ทนะํานบแบบไม่แบบนะแต่ทําแบบทําไปตามหน้าที่อันนี้คือนะอญญาสินของที่ป่วมก็ได้หายขึ้นแล้วนะของที่ปิดก็เปิดออกแล้วนะไม่เห็นความจริงที่จริงว่าความจริงมันก็อยู่ต่อหน้าหต่อตาเราอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้มันนเดิมนี่คือความจริงนะ ความจริงไม่ใช่ไปหาที่ไหนนะความจริงที่งมันอยู่ต่อหน้าเนี่ยแหละแต่พี่แล้วมันไม่มีแสงสว่างทางปัญญาให้มองเห็นเฉยแต่จริงความจริงมันแสดงอยู่ตลอดนะเราเห็นแค่ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยก็เลยโง่อยู่อยู่รไปแต่ไม่เป็นไรนะเรามาฝึกมาทรา้า มาพัฒนาจิตนะวิญญาณให้มันเข้าใจตรงนี้เนาะทำให้มันที่สุดนะทำให้มันเต็มทีนะ่แต่ไม่ต้องทำเพื่อจะเอาอะไรแต่ทำทาเหตุให้มันดีที่สุดนะถ้าเราทำเหตุให้มันดีที่สุดแล้วก็ทำแบบไม่เอาอะไรนะมันจะเกิดควา ม, เ ข, านะวามาเข้าใจความจริงจิตจะค่อยๆเข้าใจความจริงแล้วก็ปล่อยวางนะ ความยิดมั่นถือมั่นความหลบผิดต่างๆนะ่ะในจิตเอาไปได้นะ่ะนี่คือความสำคัญมากทำมันจักนะจับนะเหมือนเราดูหนังแล้วจับจับวงๆอะไปก่อนนะแล้วนกะ็พวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนะสือ่อพระเอกก็จะมีมีจักนะเอาไว้ไปทาอะ้รไปเป็นอาวุธป้องกันตัวหรือว่าไปทำร้ายศัตรู พรเจ้าก็เปรียบเหมือนเนี่ยเปรียบเหมือนว่าจักคือธรรมไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าเนี้น ะ, นะจักที่เป็นอาวุธภายนอกเนี่ยก็ทำร้ายศะตูได้บ้างทำร้ายศัตูไม่ได้บ้างเพราะเขาก็มีอาวุธต่อต้านแต่จักรคือธรรมเนี่ยไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าถ้าจักคือธรรมทำมาจักนี้นะหมวนไปที่ไหนกิเลสก็จะหักแตกหักไปนะ อุปทานความทีดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆก็จะแตกหักไปนะอวิชชาคือความไม่รู้นะสิง่งต่างๆก็จะแตกหักไปมานะความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่นะนะมันก็ดับไปนะ น, นี่คือจักคือธรรมนะไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าทำมาจักได้เกิดขึ้นแล้วแต่รูปนี้ก็จะเริ่มทําลายความหลงผิดนะ ี่รู้ความจริงของแต่ละบุคคลเข้าไปได้มากที่สุดนะเท่าที่มากได้นะอามาว่าเนี่ยผูธรรมจักที่พระเจ้าท่าแสดงนะ แ, แจกแจงตั้งแต่เนี่แหละเรื่องต้นที่สแสดงให้เห็นทางสุดโตงทั้งสองทางทางกลางที่สแสดงอริยสัจสี่แจกแจงว่าทุกคือสิ่งที่กำหนดรู้ คือสิ่งที่เราต้องรู้ต้องศึกษาสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์คือปัญหาคือสิ่งที่ต้องรักมิโรจน์คือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์คือสิ่งที่ทำให้แ้กทำให้เกิดทำให้ปรากฏมรรคคือทางดับทุกข์หรือทางพ้นทุกข์คือสิ่งที่ต้องเจริญเจริญคือพัฒนาคือทำให้มาก นี่คือนี่คือกิจในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นะนี่คือท่ามการที่เราต้องต้องศึกษาแล้วก็ต้องทำสุดท้ายก็เนี่ยเกิดอญญาสิ่งนะเกิดการรู้นะเกิดการมรรลุธรรมเกิดความพ้นไปจากทุกไดนะ้ด้วยการเข้าใจธรรมอันนี้แหละคือปริวัติสามอาการสนะิบสองปริวัติสมเนี่ย รู้แล้ว อยู่จบจิจแล้วนะ่ะไม่ต้องทําแล้วเนะนะนี่ยคือละเนี่ยปริวัติสามในอาการสิบสองก็ก็คูณสี่ไปนะี่แหละก็คือสนะิบสองครับเนี่ยคือกิจที่เราต้องทํานำะให้มันถูกต้องนะในอยายะศาตร์สี่มักนะก็ทําไปเนี่ยทุกๆอย่างเลยนะนะอะศาตยสสี่ก็ทําได้ทุกขณะจิตนะทุกการกระทําทุกคําพูดนะ เรานั่ยแหละนะก็ให้เราได้ศึกษานะความจริงที่มันอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยแหละนะพระเจ้าท่านสอนก็ต่อนเรื่องเรื่องกายใจเนี่ยนะไม่ได้ต่อเรื่องอื่นไกลไปมากกว่านั้นนั้นเราก็ศึกษาลงมาที่กายที่ใจนะปฏิบัติทำก็คือปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจเนี่ยแหละไม่ไี้ปฏิบัติที่ไหนเนาะนี่คือพุทธศาสนาเราจะเข้าใจพุทธศาสนาที่จริงนะ พุทธศาสนาคือผู้รู้ผู้สื่อผู้เบิกบานนะถ้าพูดใดเป็นผู้รู้ผู้สื่อผู้เบกบานผู้นั้นต้เป็นผู้พุทธศาสนาเป็นผู้สืบท่อต้องพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ดํารงพุทธศาสนาเป็นการทําให้พุทธศาสนาเจริญคือตรงนี้แหละเจริญท่อรู้แล้วเข้าใจแล้วออกไปเผยแพร่ต่อได้ หมพุทธเจ้าถ้าแสดงธรรมมีอัญญาคนทัญญัรู้แล้วนี่ปัญจวัคคีย์รู้ตามยัตว์ตุ่นบุบรแล้วก็กรหายรู้ตามพอออกภรษาก็บอกเนี่ยไปคนทางไปพทางเพราะว่าทุกคนรู้แล้วไปพรทางนะจะรัทธะทิขเวจาริการิตายะจาริการสุขายะโกรการุตัมปายะ ท่านทั้งหลายนะตรงการที่ไปนะคนอาชีพคนอาถร น, นะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความทุกขนะ์แก่มหะชาชนทั้งหลายอันนี้คือพอรู้แล้วนะก็ไปนะเพื่อบอกทางให้คนได้เห็นทางได้เข้าใจทางแล้วก็ทําให้มันพ้นจากทางแห่งความทุกข์ไดนะ้นี่คือผู้ที่ดูแล้วก็ไปทนะําหน้าที่ตรง น, นี้ตอนนะ่อเราเองก็ นะทั้งทำด้วยนะศึกษาด้วยก็บอกเท่าที่เราบอกได้ไปด้วยเลยเนาะเป็นการช่วยกันดำรงพรุทธศาสานาพุทธศาสานาจะยืนยาวจะมั่นคงก็ต่อเมื่อมีการศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติเนะี่ยศาสนาถึงจะเ จ, จะเริญ ม, มั่นคงเนะนะาะศาสนาจะไม่ได้ว่าจ ะ, จะเจริญด้วยวัตถุเนาะวัตถุเราก็เสื่อมได้ เหมือนเหมือนอินเดียนะแต่ก่อนก็คง ม, มีวัดวาต่า ง, า ง, า ง, งๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ก็เหลือเป็นภาพประดับประทังก็เกิดใหญ่ประเทศจีนเองสมัยก่อนก็สร้างวัดเยอะมากสมัยนี้ก็เหลือวัดแต่เป็นเพนแค่พิธีกรรมวัดที่จะเป็นปฏิบททัติจริงก็ไม่มากนะนั่นศาสนาเนี่ยมันที่เป็นวัตถุเนี่ยมันเสื่อมได้ที่เป็นบุคคลเองก็เสื่อมได้นะ ก็มีการแก่มีการตายไปแต่ที่เป็นศาสนาธรรมจริงๆมันไม่เสือ่อมมันเป็นความจริงแท้ที่แน่นอนแต่ความจริงแท้ทแน่นอนจะไม่ใช่ตัวตนนะมันก็เป็นความจริงอย่งนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าทัดธรรมนะที่พระพุทธเจ้ามาตรัตสรู้หรือไม่ทัดธรรมก็อนดำรงอยู่ธรรมะมันเป็นของทิอยู่อยู่แล้วผู้โลกนี้ นิพพานเองก็เหมือนกันพระเจ้าบอกท่านคนพบท่านพบนิพพานนะเพราะว่านิพพานมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่านิพพานเพิ่งเกิดนะท่านเพิ่งพบนะนะเราเองก็เนะี่ยเราปฏิบัติไปเราจะเห็นอ๋อที่จริงความจริงมันมีอยู่แล้วนะเราก็เพิ่งพบเพินะ่งเห็นเพิ่งเข้าใจแตนะนะ่คือการศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจตรงนี้เนาะนะนะก็ฝากไวนะ้ในเช้าวัน อ า, อาสารหหาบูชาหน้าปี 2,599